วันนี้วันที่หกนะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก็เพิ่งระลึกได้นะมีคนเขาโพสนะว่าเป็นวันครบรอบวันวันนี่ว่าวันประชุมเพลิงหลวงพ่อคำเขียนเนาะสี่ปีแล้ว <c oughs> เร็วแล้วเราก็จำไม่ได้นะ จำได้แต่วันดัศสังคารนะยิ่สามสิงหาแล้วก็ก็เพิ่งจำได้นว่าหกกันยานี้เป็นวันประชุมเพลิงหลวพ่อคำเขียนที่วัดภูเขอทองเนาะก็สี่ปีเนาะก็โดยความรู้สึกนะก็รู้สึกว่ามันเร็ว <c oughs> นะก็แต่จริงถ้าย้อนไปดูดีดนะสี่ปีก็ ก็คือเวลาที่มาอยู่ที่ตรงนี้แหละเกือบเกือบสี่ปีนะถ้าจะว่าไปจริงมันก็นะก็ดังจะออกพรรษาเนาะแล้วก็ก็สามปีนะ่น ท, ที่นี้สามปนะีเพราะว่าออกพรรษานะตอนในพรรษาปีห้าเจ็ดหลวงพ่อละสังขารเนานะแล้วก็ยังอยู่สุขโตแล้วก็อยู่สุขโตตลอดก็เพิ่งมาเดิ่มเข้าพรรษาที่ตรงนี้นะปีห้าแปด ที่ได้มาอยู่จริงๆก็ตอนเข้ารรษาแต่สามปีที่อยู่ตรงนี้ก็ก็มีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนี้หลายอย่างเนาะนะถ้าว่าไปมันเร็วมันก็แต่พอย้อนบิดีเราก็ทำอะไรแย่ๆมากมายในช่วงสามสี่ปีที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วเนาะแต่ก็เมื่อนึกถึงหลวงพ่อเมื่อไรเนาะก็นึกถึง นะถึงธรรมะที่ท่านสอนนั่นแหละนะถ้าเนะลิกถึงบกฤตนะนิจใจใจคอของหลวงพ่อนะที่ท่านที่ท่านแสดงให้เราเห็นที่ท่านที่ท่านพูดให้เราฟังบ้างหรือบางทีท่านก็เป็นของท่านแบบนั้นแหละนะซึ่งสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนจริง หลวงพ่อสอน ด, ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกนะมากกว่าหลวงพ่ออาจจะสอนคนอื่นยังไรเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากหรอกนะแต่สิ่งที่หรงพ่อสอนนีย่ยที่เราเทตมารู้สึกได้คือเหมือนเหมือนหลวงพ่อวางตัวเหมือนเป็นพ่อเนาะเหมือนเป็นพ่อนะเราเองก็รู้สึกว่า เราเป็นลูกนะนะไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนเป็นลูกศิษย์เท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ค่อยมาถึงว่าไม่ได้แบบเป็นเน้นเป็นเน้นเรียนแบบความรู้นะนะรู้สึกว่าบางทีเป็นลูกศิษย์เหมือนเป็นครูกับลูกศิษย์นะมันเหมือนไปเรียนแบบเรียนเอาความรู้เนาะนะแต่รู้สึกว่า การเป็นพ่อเป็นลูกเนะี่ยมันมันอบอุ่นใจมากกว่านะบางทีไม่ได้สอนโดยโดยเนื้อหาวิชาการหรือว่าสอนแบบครูสอนนักศึกษามากนะหลวงพ่อไม่ค่อยมาตัวสืขอหลงพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงความเป็นอาจารย์หรือเป็นครนะูเวลาท่านสอนอแต่ท่านจะแสดงความเป็นเหมือนพ่อนะที่สอนลูกนะ หรือบางทีตอนหังท่านก็เรียกตัวเองว่าดวงตานะสอนนานดานใครจะรู้สึกอย่างไรก็แต่ก็คือมาว่าที่จริงวิถีชีวิตของของพระหรือคนที่อยู่วัดนะมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดคำสอนกันผ่านผ่า น, านกันใช้ชีวิตเนี่ยแหละนะ<ม>คือสอนนะให้ยกมือสอนให้ รู้นะธรรมะนะในการเทศการสอนมันก็ทั่วๆไปหรือโยมเองไม่ได้เจอหรงพ่อเองเดี๋ยวนี้ก็อ่านหนังสือหรือฟัง y o u t u นะก็เจอหลวงพ่ออยู่ได้ตลอดเวลาเนาะแต่การที่นะสอนแบบแบบได้เห็นกันนะแล้วก็สอนในชีวิตจริงๆอนะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่มันก็มันลึกซึ้งนะ ตอนแรกครั้งแรกเลยที่เจอหลวงพ่อคำเขียนคือก่อนบวชนะก่อนบวชก็พาญาติคือพาญาตินะพ่อแม่นะยายยา่าปู่แล้วก็ใครบ้างก็จะไ่ได้นะคือตั้งใจว่าจะบวชแล้วนะแต่ก็ตั้งใจว่าไม่อยากอยู่วัดบ้านนะอยากจะอยู่วัดป่าสุขตโตนะก็เคยไปเพียงแค่ ก็ยังไม่เคยไปนะวัดป่าสุกโตนะเคยแค่เฉียดๆนะแต่รู้ว่าวัดป่าสุโกโตเนี่ยมีพระอาจารย์เปสารศเปเจ้าวาดนะเคยแค่เฉียดผ่านทางเข้าหน้าวัดแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยพอจะอยากจะบวชแต่อยากจะบวชยู่วัดนี้แหละนะก็เลยพาญาติขึ้นไปดูวัดป่าสุกโตนะก็ไปเจอพระบางรูปนะได้ไปดูสถานที่บ้าง รพระพัฒนท่านก็เลยบอกว่าให้ไปกราบหลวงพ่อคาเขียนนะที่วัดผู่ขะทองนะหลวงพ่ออยู่วัดผู่ขะทองต่นนั้นพอดูวัดคุยกับพระเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวผมจะบวชแต่ผมจะขอมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตนะก็ไปหาหลวงพ่อคาเขียนที่วัดผู่ขะทองนะก็ไปเจอท่านที่กุตินะกุติที่ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อคาเขียนที่วัดผู่ขะทองนะ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขยายมากก็เป็นกุติหลังเล็กๆนะยังไม่มีชาอะไรมากก็เจอท่านที่ตรงนั้นนะก็ก็ได้ไปกราบเรียนท่านว่าจะบวชแล้วจะมาอยู่สุขโตนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะวันนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยหลวงพ่อบอกว่าดีๆนะมาช่วยกัน มาช่วยกันนะมาช่วยกันทํางานอะไรประมาณนะั้นจะไม่ได้จำํำได้มาช่วยกันอที่นี่นะมีมีคนต่างชาติเยอะนะมีฝาดังบ้างตอนั้นมีบังคล า, าเทศด้วยมีญี่ปุ่นนะคือเราก็บอกว่าเราเพิ่งไปเรียนเพิ่งเรียนจบเนาะหลวงพ่อก็เลยชวนมาช่วยกันแต่ความรู้สึกของธรรมาเอง ไม่รู้จะไปช่วยหลวงพ่ออะไรผมไม่เก่งนะภาษาผมก็ไม่เก่งนะเรียนจบก็ก็เพิ่งเรียนจบไม่มีประสบการณ์อะไรมากก็ไม่คิดว่าจะมาช่วยหลวงพ่อนะครับคืออยากจะมาศึกษานะขอให้หลวงพ่อช่วยสอนนะขอให้พระท่านช่วยสอนไม่ได้คิดว่าจะมาช่วยเลยคือคิดอยากจะมาเรียนรู้ อยากจะมาตักตวงนะอยากจะมาเอาสิ่งดีๆนะมาอยู่กับตัวเรานะให้มากที่สุดก็คิดแบบนี้นะแต่พอนานไปนะไอ้คำพูดที่เคยพูดที่หลวงพ่อเคยพูดครั้งแรกเนี่ยมันแว บ, บมาคิดได้ตอนงานงานตอนที่หลวงพ่อเน่เสียแล้วอะ่ะก็มีการเทศตอน ตอนก่อนที่งานประชุมเพลิงนะก็ผัดกันเทศก็มีวันหนึ่งที่เทศนั่นแหละก็ก็ได้คิดได้อ๋อหลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้นะก็พูดออกมาอ๋อไม่เคยคิดว่าคําพูดแรกของหลวงพ่อเนาะเราจะพอได้ทําบ้างเออไม่รู้ยังไงหลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเทนนั้นก็แต่ก็พอบวชไปด้วยมันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่า พอจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็ช่วยนะตามที่เราพอช่วยได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งหรือดีอะไรกว่าคนอื่นนะแต่ก็อาจจะอยู่ใกล้หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อกนะอ็ให้ช่วยทำนั่นทำนี่บ้างนะก็ทำเท่าที่ทำได้ น, ะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนความรู้สึกว่าคือแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเรามาบวชเราเพื่อจะเอานะ เราเป็นฝ่ายมารับนะมาเอาแต่พอบวชไปสักพักเรารู้สึกว่าการมาบวชนะ่ะต้องมาคล้ายๆมาช่วยกันมากกว่านะหรือการมาอยู่วัดอนะ่ะคือคนที่จะมามาเอามาตักตวงจากวัดจากพระศาสนาจากอะไรต่างๆขอให้พระขอให้วัดช่วยเนะี่ยมีเยอะนะแต่คนที่จะช่วยวัดช่วยพระ ช่วยพศาสนาเนี่ยมันอาจจะไม่มากนะอืมคือเราคิดว่าศาสนาเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเราก็จะมาเอาแต่จริงตัวศาสนาเองก็ไม่ได้เสื่อมอะไรหรอกนะแต่วัดวาอารามเองก็ยังต้องการคนที่ต้องช่วยดูแลจัดการนั่นนี่เนาะหรืองานภายในวัดเองก็ยังต้องมีคนที่ช่วยในการ ทำกิจต่างๆบ้างก็เลยเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าเออเราจะมาเอาแต่จากวัดอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ได้นะที่จริงเราควรที่จะคิดมาช่วยวัดมากกว่าคิดที่จะมาช่วยวัดนะทำอะไรได้เราก็ทำนะเท่าที่เราทำได้นะมันก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะมาตักตวงมาเอาสิ่งที่ได้จากวัดเราความรู้ที่เราพอทำได้นะเอา แรงกายบางทีไม่มีความรู้มากก็แรงกายมาช่วยนะหรือเอาแรงใจช่วยนะครูบาอาจารย์บ้างมันก็ดีนะมันรู้สึกอ้มาเริ่มเข้าใจถึ่งที่หลวงพ่อท่านทำให้ดูนะท่านอยู่ให้เห็นว่าการที่มาบวชหรือการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้ประโยชน์ตนเนะแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะ การที่เรามาปฏิบัติธรรมหรือมาบวชไม่ใช่เพียงแค่เรามาเอาประโยชน์ตนของเราเท่านั้นแต่ถ้ามีอะไรที่เราพอทำได้ที่เป็นประโยชน์ท่านนะเราก็นขนวควในการทำนะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะต่อวัดต่อศาสนาหรือต่อสังคมนะต่อโลกนะถ้าเราทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราพอทำได้เราก็ทานะ เลยรู้สึกว่าการทาแบบนี้มันเป็นการเหมือนช่วยต่ออายุพระพุทธศาสนาเนะอมช่วยกันสืบทอดหรือเผยแพร่ศาสนาได้แต่จริงก็ไม่ใช่คิดแต่ศาสนานะโดยความรู้สึกแล้วก็มองศาสนาอื่นก็ไม่ได้มองเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งอะไรเลยนะรู้สึกว่าถ้าสอนกันในทางที่ดีนะ ทางพ้นทุกข์ทางมีเมตตาการุณาต่อกันก็ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันได้ไม่ได้เป็นคู่แข่งไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยก็มองเรื่นั้นนะพอเรารู้สึกว่าหลวงพ่อเองเวลาท่านท่านเกี่ยวข้องกับใครนะท่านก็มองแบบไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะไม่ได้เลือกว่าใครรวยใครจนนะชาวบ้านหรือข้าราชการหรือพ่อค้านายทุน หรือไม่ได้เลือกว่าเพิ่งรู้จักหรือว่ารู้จักกันนานแล้วนะคือท่านปฏิบัติแบบด้วยความเป็นมิตรด้วยความเมตตากรุณานะด้วยความรู้สึกว่าเหมือนเป็นญาตินะหลวงพ่อรู้สึกว่าใครมาหาท่านเหมือนรู้สึกว่าเออเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนเหมือนเป็นญาตนะิ บาที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อสนิทเหมือนเป็นญาติเลยนะรู้สึกว่าเออหลวงพ่อคุยแบบไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนไกลตัวหรือเป็นอะไรเลยรู้สึกว่าใครจะเข้ามาหาหลวงพ่อก็รู้สึกเหมือนเป็นญาตินั้นการที่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะก็เลยรู้สึกสนิทใจตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเอาจจะด้ความเป็นคนอีสานเหมือนกันพูดภาษาอีสานด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หลวงพ่อก็ สแสดงท่าทีเหมือนเป็นญาติพี่น้องเรานะเหมือนญาติพี่น้องมาเนี่ยก็ถ้าญาติพี่น้องได้เจอหลวงพ่อเนี่ยเราก็ดีใจนะอเ<ม>พราะเราเองเป็นพระใหม่จะมาสอนจะมาอะไรแนะนําญาติพี่น้องเราก็สอนไม่เป็นหรอกแต่ถ้าไปหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจัดการให้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยปอบเขาให้นะออ อย่างแตมาไม่สึกนะหลวงพ่อก็ปอบญาติโยมให้ <c oughs> อปอบญาติโยมให้แต่ก็มีบางช่วงนะที่ตอนนั้นจะรับปริญญานะโยมเขามาทุกอาทิตย์เลยนะมาขอให้สึกนะจนหลวงพ่อเองก็คงเห็นใจญาติโยมนะยายย่าปู่นะมาพูดกับหลวงพ่อ น, ะน้ำตาคอจะร้องไห้นะอยากเห็นหลานรับปริญญา แต่เราเองไม่เคยอยากรับนะอืมก็จึงญสร้างหลวงพอ่อพูดประมาณว่าบอมศึกเถอนะนะคล้ายๆก็บอกเรียกพระใหม่ๆท่านจะเรียกหม่อมหม่อมคือเหมือนเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเนาะถ้าลูกหลานคนในบวชก็จะเรียกหม่อมนะก็ศึกเถอนะนะแต่ไปรับปริญญาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาบวชใหม่เดี๋ยวหลวงพ่อจะบวชให้นะหลวงพ่อบอกอย่างเงี้ยเนะ อืแต่เราเองรู้สึกว่าถ้าเราศึกนี่คงไม่ได้กลับมาบวชง่ายๆหรอกนะคงศึกไปเดี๋ยวเขาก็ให้เราหางานทำนะทำงานไปก็เดี๋ยวมันก็ติดพันนะจะได้กลับมาบวชอนะ่ะแต่หลวงพ่อก็คงเห็นใจญาติพี่น้องนะที่อาจจะอยากให้อยากได้ภาพรับรัญญาบ้างแต่เราเองก็ยืนการตอนนั้นไฟแรงนะไม่อยากศึก <c oughs> ก็เลยไม่ศึก ไม่ทําตามที่หลวงพ่อบอกนะอาจจะมาไม่ได้บวชกับหลวงพ่อคำเขียนนะนะบวชอยู่ที่ข้างล่างแต่ก็มาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่บวชใหม่ๆนะนะแต่หลวงพ่อก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เนาะนะมาอยู่ด้วยแล้วก็อุ่นใจเราอยู่กับท่านเองก็ไม่ได้ไมไ่พยายามที่จะใกล้เข้าหาท่านเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็อยู่ของเราไปนะ แต่ด้วยตอนอยู่ใหม่ๆนะคนที่อยู่ประจำที่วัดเองมีไม่มากนะที่สุกโตเนี่ยพอออกพรรษาแล้วบางทีอยู่กันไม่ถึงสิบรูปนะบางช่วงอยู่กันแค่สองสามรูป้วยซ้ำนะพระไม่มากนะสมัยก่อนแม่ชีหรือโยมเองก็ไม่มากอาจจะมีบ้างจนเชื่องในพรรษาก็หนานแน่นหน่อยแต่พอออกพรรษาแล้วก็อยู่กันไม่มากนักก็เลย ไม่ได้พยายามที่จะใกล้ท่านนะแต่ด้วยคนไม่มากก็เลยทําให้ได้คุ้นเคยได้ใกล้ชิดบ้างนะขับบางที่หลวงพ่อก็ใช้ให้ขับรถไปอาจะมาเป็นถ้าไม่มีคนขับรถอยู่หลวงพ่อก็ให้ขับรถให้นะภูเขอทองสุกโตเส่นภูเขอทองสุกโตไม่ไปไกลกันนะดักไม่อยากขับนะก็เนี่ยแหละนะหลายๆอย่างนะคือ ก็เหมือนช่วยงานท่านนะแต่ขณะที่ช่วยงานท่านนั่นแหละท่านก็สอนให้เราได้เห็นน ะ, ะเวลาท่านสอนญาติยโยมนะท่านพูดแบบไหนนะเวลาท่านไปซื้อของหรือว่ามีช่างนะมาทำงานท่านทำแบบไหนท่านพูดอย่างไรนะหรืออีกอย่างหนึง่งบางทีงานอะไรอย่างเนี้ย ท่านมักอยากจะทําเองนะไม่ขอให้ใครช่วยเลยขุดดินแบบนี้นนะดินกองโต โ, โตนะหลวงพ่อนะ่ะทําวัดเช้าเสร็จท่านมาขุดเองเลยจะนั่งถึงชันช้นเะช้าอคือท่านไม่ขอให้ใครมาช่วยนะรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้นะงานอะไรที่เป็นคล้ายๆงานใช้แรงสักหน่อยนะหลวงพ่อชอบนะอืมชอบทําเองนะแต่ก็ อย่างว่านะพอเราเห็นเราก็ต้องเข้าไปช่วยเนาะก็ช่วยท่านก็ช่วยก็ดีนะช่วยก็ดีแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อแบบนี้นะคือเรื่องงานนะไปในวัดหลวงพ่อแบบนี้คือใครจะช่วยก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะปฏิบัติทำอย่างเดียวก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าหลวงพ่อใจกว้างมากเลยนะคือใครอยากจะช่วยงานก็ช่วยใครไม่อยากช่วยงานก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะหลวงพ่อว่าอย่างนี้นะประมาณนะคือประมาณแล้วสายไหน่ชอบปฏิบัติอย่างเดียวก็เอาเลยนะอ่แต่สายไหนจะทํางานด้วยนะช่วยงานด้วยปฏิบัติ ท, ทําด้วยก็ได้นะคือหลวงพ่อท่านเปิดโอกาสมากนะไม่ไม่ตําหนิใครนะที่อยู่ในวัดว่าคนนั้นไม่ช่วยงานคนนั้นไม่ปฏิบัติหรืออะไรหลวงพ่อไม่ว่า แต่หลวงพ่อเปิดโอกาสให้ให้เขาได้ได้เลือกนะ่ะเลือกวิถีที่เขาอยากจะอยู่เนะาะอย่างตั้งมาเองเลือกที่จะช่วยงานด้วยแล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติด้วยนะอันนี้ก็ก็เป็นวิถีพอได้ทําแบบนี้ก็ได้เลยได้ใกล้ชิดหลวงพ่อบ้างนะในบางโอกาสในบางงานนะท่านก็สอนให้เราดูนะแม้แต่ขุดดินนะ เราก็สังเกตหลวงพ่อนะเวลาท่านขุดดินตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุหกสิบกว่าแล้วนะอืมแต่เวลาท่านขุดดินเนี่ยมันเป็นจังหวะนะเวลายกจอบขึ้นเวลาจอบขุดลงดินเนี่ยโอจอบของหลวงพ่อกับดินเนี่มันเต็มดีเหลือเกินนะพอพอขุดดินด้วยการมีสติเนี่ยแบบเวลาขุดดินลงไปเนี่ยจอบมันตักดินได้เต็มมากนะ หลพ่อก็เวียงนะดินออกไปเนี่ยได้ไกลนะโอ้เราก็รู้สึกทึ่งนะหลวงพ่ออายุเยอะนะแต่พอหลวงพ่อขุดดินด้วยจังหวะที่มันเป็นสตินะเออคือหลวงพ่อไม่ได้บอกนะว่าต้องทําแบบนี้นะแต่หลวงพ่อทําให้ดูนะเราก็สังเกตอ้อต้องยกจอบแบบนี้เหวียงแบบนี้จังหวะแบบนี้นะเออพอทําตามหลวงพ่อแล้วนะมันรู้สึกว่ามันพอดีนะ การขุดดินมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคือมันก็เหนื่อยบ้างแหละแต่พอขุดดินไม่เป็นจังหวะนะเหนื่อยแต่พอขุดดินเป็นจังหวะแบบมีสติรู้สึกตัวแบบของพ่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะเออมันทำงานไปมันก็เพลินไปแบบนี้เนาะคือมันเพลินคือพอเป็นจังหวะนะมันไม่เหนื่อยมากมันก็เพลินในการทำงานได้นะแต่เพลินในที่ไม่ใช่ลงนะแต่มันรู้สึกว่าอ๋อ การทํางานก็คล้ายๆเหมือนเราเดินจงกรมแล้วมันได้จังหวะพอเดินแล้วได้จังหวะมันก็มีความเพลินมีความเบานะหรือยกมือแล้วมันมันได้จังหวะมันกําลังได้อารมณ์อ่ะมันเป็นอารมณ์เดียวกันเลยนะเวลาเราปฏิบัติทำแล้วมันได้อารมณ์หรือว่าทํางานแล้วมันได้จังหวะพอดีเนี่ยเออมันมันพอดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบแอบนะแอบดูหลวงพ่อแล้วก็แอบทําตามนะอืม แต่ก็ไม่ได้เก่งเท่าหลวงพ่อในการขุดดินอะไรนะก็แต่เห็นนอ้อเห็นการสอนท่านโดยที่ไม่ได้บอกนะแต่มาก็จะมาสังเกตมาใช้กับตัวเองตอนกวาดนะกวาดลานวัดนะคือบางทีถ้าใจเรากวาดอยากให้มันเสร็จเร็วๆนะโดยเฉพาะสุโกโตแต่ก่อนนะมันยังไม่ได้เท ป, ปูนไม่ได้มีหินนะก็เป็นดินนะเวลากวาดเนี่ยฝุ่นมันเยอะ มันต้องค่อยๆสังเกตว่ากวาดแบบไหนฝุ่นมันฝุ่นมันน้อยนะแต่ใบไม้ก็ออกด้วยนะแต่ถ้ากวาดแบบเบาเกินไปนะไม่มีไม่ค่อยมีฝุ่นก็จริงนะแต่ใบไม้มันก็ไม่ค่อยออกเลยนะมันต้องจับความพอดีระหว่างเออมันก็มีฝุ่นบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับฟุ้งกระจายมากเกินไปนะแต่ใบไม้ก็ได้ออกนะ มันจะต้องมีจังหวะเวียงนะเวียงแบบไหนน ะ, ะกวาดแบบไม่กวาด ย, วยาวๆน ะ, ะมันจะเวียงพอดีเวียงพอดีแบบนี้อ๋อพอเราจับจังหวะการเวียงได้ออมันก็สนุกน ะ, ะวางแผนในการกวาดแบบไหนเวลาลานกว้างๆนะต้องกวาดทิศทางแบบไหนมันถึงจะไปได้ดีนะ่ะอ๋อนั่นะมันคือคือวิถีชีวิตพระนะมันไม่ใช่แต่เดินจงกรมหรือยกมืออย่างเดียวหรอก เวลามันทำงานแต่ถ้ามันจับจังหวะการทำงานได้นะมันก็เพลินแล้วก็แล้วก็การทำงานนั้นๆเนาะก็ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นการที่เราเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่ก็อาศัยเป็นเวลาที่ได้ปฏิบัติกับการกวาดบ้างกับการขุดดินบ้างนะแต่เวลาไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็ปฏิบัติในรูปแบบของเราบ้าง อันนี้คือวิถีชีวิตนะที่แบบอยู่วัดป่านะมันอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำนะต่อน้ำต่อไฟน ะ, ะหรือว่าตักซ่วมอะไรนะหรือว่าดับไฟป่านะอะไรต่างๆนะอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ได้ทำนะแต่มันก็รู้สึกว่าถ้าเราทำด้วยด้วยท่าทีที่ว่าเราทำเพื่อจะขัดเกากิเลต ข, ของเราเนาะอืม บางทีเราทำงานไม่มีใครมาช่วยนะอย่างเวลากวาดด้านวัดมันนะบางทีก็มันก็เยอะนะใบไม้ร่วงเยอะกวาดคนเดียวกวาดสองคนแนะีเนาะมันก็นานกว่าจะเสร็จนะมันก็ขัดใจเรานะว่าเออทำไมเรามากวาดแค่คนสองคนคนอื่นไม่มากวาดแบบนะี้เนาะแต่จริงถ้าเราอยู่กับการกวาดจริงจรงมันก็มันก็จะดืมการไปคิดบนเรื่องคนอื่นนะอืม เขไม่กวาดก็ไม่เป็นไรนะเราก็สนุกกวาดของเราไปนะอะไรเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อเลยใครไม่มาช่วยงานท่านก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ทําของท่านไปนะอะอันนี้คือมันก็เป็นการสอนตัวเราไปในตัวนะสิ่งที่สิ่งที่หลวงพ่อท่านทํานะแต่หลวงพ่อเขียนเองท่านไม่ค่อยเดินจงกรมให้เราดูหรือว่ายกมือสร้างจังหวะให้เราดูนะก็ท่านก็ทําของท่านบ้างแต่ไม่ แต่ไม่ได้แบบเวลามีคอร์สท่านมาทําด้วยอะไรแบบนะี้ยไม่ค่อยมีหรอกนะท่านก็ทําบ้างนิดหน่อยนะแต่หลวงพ่อท่านก็จะชอบทํางานอ่นะแต่บางทีท่านก็ทําให้ดูบ้างนิดหน่อยนะแต่ท่านไม่ได้ทําเยอะนะแต่เราก็สังเกตุหลวงพ่อแล้วท่านทําไม่มากก็จริงนะแต่มันคือจังหวะเดียวกันกับจังหวะที่ท่านทํางานเลยนะเรารู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่า จังหวะที่ท่านยกมือสิบสี่จังหวะหรือจังหวัดที่ท่านเดินจงกรมนะมันคือจังหวะเดียวกันกันกบที่ท่านเวลานะขุดดินหรือเวลาท่านนะทาไม้เท้านะหรือเวลาท่านรดน้ําต้นไม้นะหรือเวลาท่านเดินไปที่นั่นที่นี่มันคือจังหวะที่ที่สม่ําเสมอนะเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าไม่รีบ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ล้าๆนะนเหนื่อยๆนะคือไม่ใช่จะรีบนะให้มันเสร็จนะแล้วก็ไม่ใช่แบบหมดเรี่ยวหมดแรงในการทํานะมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันพอดีนะบางทีรู้สึกว่าสมพ่อเวลาท่านเดินนะมารู้สึกเหมือนเหมือนกับช้างนะที่เดินนะคืออาจจะตัวใหญ่ในตัวตัวหนึ่งแต่รู้สึกว่าเวลาท่านเดินมันเหมือนมันมั่นคงอะ่ะทีละก้าวนะ มั่นคงทีละก้าวเป็นจังหวะไปของท่านนะมันมั่นคงอะ่ะมันไม่ใช่เบาแบบเบาวิวนะเหมือนคนเดินเร็วๆแล้วเดินตัวปิวนะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่จังหวะคนหมดแรงแม้อายุเยอะก็ท่านก็ยังเหมือนกับปี้กระเปานะแต่มั่นคงอะ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะอืมเราเองก็ได้เห็นอ้อคนที่มีสติเขาเดินแบบนี้นะเดินแบบนี้นะ เอก็ก็เอาไว้เตือนตัวเองนะเวลาใจมันร้อนใจมันเร็วนะมันก็จะเดินเร็วนะอยากไปถึงเป้าหมายเร็วๆนะเราก็ต้องกลับมานะอยู่กับการเดินใหม่นะหรือบางทีทําอะไรเหนื่อยล้าเนาะหมดเรี่ยวหมดแดงบางทีเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองให้ให้กระปี้กระเป๋าขึ้นมาบ้างเนะี่ยก็อาศัยจากที่เห็นหลงพ่อดังนั้นนะ แต่ท่านเองก็ไม่ได้สอนเราอะไรมากนะไอมารู้สึกสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนแล้วจำได้จริงๆมีแค่สองสองช่วงนะที่สอนแบบสอนแบบคือเราเราไปถามนะนะแต่ไม่ใช่สอนธรรมะโดยตรงนะไม่ได้ไปสอนเรื่องการปฏิบัติโดยตรงเคยเล่าตอนช่วงคอร์ส ท, ที่สวนโมงนะว่า ก่อนหลวงพ่อเสียไม่นานหลักนะก็เวลามีคอสอบรมนะบางทีก็ก็มีงานเยอะบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้เยอะกว่าเก่าอีกแต่ก่อนก็ว่าเยอะแล้วนะก็รู้สึกว่าอยากจะพักบ้างนะอยากจะให้เวลาตัวเองปฏิบัติให้มันเต็มที่บ้างแบบนี้เนาะก็ได้ไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมไม่ค่อยอยากรับงานอบรมเท่าไหร่ครับผมอยากประมาณว่าอยาก อยากปีไปปฏิบัติอย่างเดียวได้ไหมอะไประมาณนี้นก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเออมีข้อเนี่ยเขาจะนิมนต์ปีหน้านะ่ะจะรับทีหรือเปล่าปนะระมาณนี้หลวงพ่อก็ฟังสักพักหนึ่งนะหลวงพ่อก็ตอบแบบตอบแจนทำให้เราเราไม่สามารถพูดต่อได้นะหลวงพ่อตอบว่าอืมให้สอนคนอื่นไปด้วยสอนตัวเองไปด้วย เพราตอบสั้นมากแบบมันไปต่อไม่เป็นเลยนะคือหลวพคือสอนคนอื่นไปด้วยสอนตัวเองไปด้วยมันก็หมดคำสงสัยหมดคำถามต่อเลยก็หอวงพ่อพูดสั้นแต่คมแล้วก็กระชับนะแล้วก็ก็ต้องยอมรับนะแม้ใจเองอาจจะไม่ค่อยยอมรับเต็มร้อยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเป็นบทเรียนนะเหมือนเป็นการบ้านให้กับเราว่า ขณะที่สอนผู้อื่นนะเราก็ต้องอย่าลืมสอนตัวเราเองน ะ, นะก็ก็ก็ถือแบบนี้นะเวลาสอนคนอื่นก็บางทีก็ไม่ได้สอนตลอดเวลานะก็เน้นสอนตัวเองด้วยหรือเวลาที่นในขณะที่สอนตามข้อ ต, ต่างๆก็ถือว่าโอกาสไ ด, ได้ได้กลับมาดูตัวเองจากการสอนโยมนะบางทีโยมก็สอนอาตมานะให้เราได้เรียนรู้ตรงนั้นไปด้วย เนี่ยคือเป็นคำสอนหนึ่งที่จำแล้วก็จะจำไว้ในใจตลอดนะให้ทำแบบนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะตอนนั้นที่หลวงพ่อใกล้จะคือป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล น, นะแล้วก็นี้ก็มันก็มีเรื่องงานก่อสร้างอะไรบางอย่างภายในวัดซึ่งอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเ่ของของคนที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะ เราเองก็เหมือนอยู่ใกล้หลวงพ่อนะก็มีคนฝากถามนะฝากถามว่าไอ้เตือนแบบเแบบนี้ยมันไม่ควรทําำนะคล้ายๆว่าขอให้หลวงพ่อช่วยระงับประมาณห น, หนั่นเนาะหลวงพ่อก็ฟังเราก็ถามไปเท่าที่คนฝากถามให้นะแต่อาจจะมีคนถามหลายครั้งนะเราก็ได้ถามหลวงพ่อหลายครั้งนะจนกระทังหลวงพ่อก็พูดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วบางทีก็ ทีเขาที่เราบ้างนะคือ อ, อย่าเอาแต่ทีเราอย่างเดียวนะที่เขาที่เราบ้างอืมคือเราเองก็อาจจะอาจจะเห็นด้วยกับฝ่ายหนึ่งที่ไม่อยากให้ทำเนาะแต่ก็แต่เราเองไม่ได้ถามด้วยตัวของเราเองนะแล้วก็แต่เราไม่ได้ว่าคัดคา้านตั้งแบบนั้นตลอดนะแต่ก็อาจจะด้วย ม, มีคนฝากถามหลายครั้งนะแต่หลวงพ่อรู้สึกว่าเออมันถามหลายครั้งแล้วนะจบได้แล้วนะ เป็นพ่อประมาณที่เขาที่เราบ้างเออมันก็เหมือนทำให้เราได้คิดว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีนะสิ่งที่เราคิดว่าถูกหรือว่าใช่แล้วก็มีคนอื่นที่เขาก็เห็นเหมือนกันกับเรานะพอสมควรนะแต่บางทีเราจะเอาให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เราคิดหรือว่ามันก็มันก็อาจจะได้นะ แต่บางทีก็มีคนที่เขาเห็นต่างจากเราแล้วเขาก็อยากจะได้แบบนั้นนะบางอย่างเราจะเอาแบบเราตลอดเลยนะมันก็มันก็อยู่ด้วยกันยากนะอืมเพราะว่าเราจะเอาแต่แบบเราตลอดแบบเราตลอดนะคนที่เขาเขาคิดเขาก็คิดดีเหมือนเรานี่ยแหละนะแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะแตกต่างกันนะอะ่มันก็อาจจะทําให้เขาก็เสียกําลังใจหรือก็อาจจะผิดหวัง พอก็เลยบอกทีเขาที่เราบ้างมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยก็เป็นคําสอนอย่างหนึ่งนะเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆนะเช่นภายในวัดนะในการงานในอะไรต่างๆมันทีมันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันหรือว่าการตัดสินใจที่แตกต่างกันนะแต่มาก็เชื่อว่าแต่ละคนก็ทําด้วยประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เหมือนกันแหละ แต่บางทีมันอาจจะคิดไม่เหมือนกันหลวงพ่อก็สอนเนะี่ยบางทีก็ทีเขาทีเรานะอย่าเอาแต่ความคิดของเราเป็นหลักมากบางทีก็ต้องยอมยอม ห, หรือวางบ้างนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากที่บางทีเราอยู่ในวัดบางทีเราก็ต้องวางใจแบบนั้นนะว่าจะเอาแต่แบบที่เราเห็นว่าถูกแบบเห็นว่าดีหรือเห็นว่าใช่ทั้งหมดก็ไม่ได้ บางทีคนอื่นเขาก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเราบ้างก็ต้องยอมกันบ้างอันนี้คือก็เป็นการใช้ชีวิตนะที่ที่หลวงพ่อท่านสอนเนาะท่านสอนท่านฝากไว้นะอันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเท่าที่เออมันคิดได้เนาะแต่ก็คือ หลายท่านก็คงได้สัมผัสกับหลวงพ่อบ้างก็คงมีหลายมุมมองนะที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ด้ดีที่แตกต่างกันนะก็ก็ถือว่าใครที่ระลึกได้ถึงคำสั่งสอนแบบไหนของหลวงพ่อก็ดีหรือว่าบางคนไม่ได้ไม่ได้เจอหลวงพ่อเนาะแต่ก็ได้ฟังหรือได้อ่านนะสิ่งที่หลวงพ่อท่านฝากไว้ก็ดีเนาะ ก็พยายามที่เราก็พยายามที่จะเดินตามท่านเนาะเดินตามท่านทางที่ท่านเดินนี่แหละทางหลักๆเลยเนี่แหละคือท่านเอาอย่างเดียวนะคือการฝึกสตินี่แหละออฝึกสตินี่แหละเป็นงานหลักที่ท่านที่ท่านทําส่วนงานรองนะคืองานปลูกต้นไม้งานวัดต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าหลวงพ่อทำเป็นงานลองนะแต่แต่เพราะว่างานหลักของท่าน มันจบแล้วอ่ะมันสำเร็จแล้วเวลาที่เหลือที่เราเห็นก็คือท่านก็ทำงานลองทำเล่นๆ น, นะแต่ท่านก็ยังมีก็ยังสอนก็ยังเทศทุกๆวันจนทั้งพูดไม่ได้นี้เนาะท่านก็ยังทำงานหลักในการที่จะให้คนที่เดินตามตรงเนี้ยแหละท่านบอกว่าตรงเนี้ยแหละคือทางออกจากความทุกข์นะตรงเนี้ยคือทางที่ถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอะไรกับอะไรเนะ่ยอ มันเป็นทางที่ไม่ชุกเนี่ยให้เรามาปฏิบัติกันนะแต่ลงพ่อเป็นสไตล์แบบเทศแบบชี้เชียนะเทศแบบให้กำลังใจนะไม่ได้เทศแบบบังคับดุดุเดือดนะแต่ก็เป็นนิ่มๆนวลๆให้เราเห็นเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิบัตินะยิ่งถ้าเราปฏิบัติมากไปเท่าไหร่เนี่ย จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนได้มากเท่านั้นบางอย่างท่านสอนแบบสอนแบบให้เราไปเห็นเอาเองนะไม่เข้าใจวันนี้หลวงพ่อก็ไม่แคร์ประมาณนะ่ะแบบประมาณนะแต่ขอให้ปฏิบัติเถอะเดี๋ยวมันเห็นเองนะ่ะไม่ต้องมาอธิบายให้เสียเวลามากไม่ต้องมาแบบชี้แจงอธิบายทุกแ ง, ง่มุมนะแต่ท่านบอกแบบนี้แหละ แต่อัที่เราสงสัยนะที่เราไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราลองทําตามจริงๆทําไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะอ๋อเองนะนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกไว้น่ะมันก็จะอเอนะนะเ อ, อ, นะ อ, อใช่ในนะ่ะเข้าใจแล้วในนะ่ะแบบมันจะรู้สึกแบบนั้นได้นะแม้ตอนที่ฟังมันยังงงอยู่ยังสงสัยอยู่นะแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยมันจะเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องที่มันยากเกินที่เนะ่ คนทั่วไปจะเข้าใจได้นะว่า แ, แต่เราถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆมันก็เข้าใจถึงหลวงพ่อสแสดงนะหรือสอนให้เราเห็นนะแล้วหลายอย่างที่หลวงพ่อไม่ได้อธิบายนั่นแหละเราก็จะเข้าใจนะจากที่เคยตําหนิจากที่เคยจับผิดจากที่เคยนะอะไรหลวงพ่อนะอาจจะมาก็เป็นนะเออยู่กับท่านบางทีจิตมันก็คิดของมันเองนะ่ะ เพราเราเองก็บางทีเราก็รู้สึกว่าพระที่ดีนะต้องทําอย่างงั้นต้องไม่ทําอย่างนี้อะไรนะคือมันเป็นความคิดของเราที่เราวาดภาพไว้ว่าเป็นอย่างนี้พอมีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ค่อยตรงไม่ค่อยใช่เนะเราจะจิตมันก็จะคิดว่าทําไมทำไมหลวงพ่อทําอย่างงั้นทําไมหลวงพ่อทํางนี้หลวงพ่อควรจะทําอย่างงั้นควรจะทำอย่างนี้นนะ แต่ก็ไม่เคยพูดกับหลวงพ่อนะไม่เคยบอกงพ่อนะแต่จิตมันตำหนิหรือคิดอยู่ในใจนะซึ่งเราก็รู้สึกเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนะทำไมเราเราตำหนิครูบาอาจารย์หรือเพ่งโทษครูบาอาจารย์นะซึ่งมันก็ไม่อยากจะเพ่งไม่อยากจะตำหนินะแต่จิตมันก็รู้สึกว่ามันขัดกับความคิดของเราเนาะแล้วเราก็รู้สึกก็เป็นทุกข์นะ แต่พอเนี่ยพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์จากการที่ไปเพ่งโทษไปตำหนิท่านนะมันพอเห็นจิตมันเป็นทุกข์มันก็คลายนะมันรู้สึกว่าเออือเราไปเพ่งโทษไปคิดแบบนั้นท่านจะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วใจท่านคิดอย่างไรทำไมถึงท่านทำแบบนั้นเนาะท่านไม่ได้อธิบายให้กับเรานะแต่พอเราเห็นว่าอ้อเนี่ยเราไปเพ่งโทษเราไปจับผิดนะเราไปวิจารนะ จิตใจเราเนี่ยแหละมันเป็นทุกข์นะท่านเองไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรเลยนะเราเองนะเป็นทุกข์นะเราก็เลยอ๋อก็เลยแบบพอเห็นแบบนี้นะมันค่อยๆคลายค่อยๆลดไปจนก็จนรู้สึกว่าอืมเรื่องของหลวงพ่อก็เรื่องของหลวงพ่อนะเรื่องของเราก็เรื่องของเรานะอะท่านทําแบบนี้นของท่านท่านก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ก็รู้สึกว่าแต่ถ้าเราไปคิดอะไรมากนั่นแหละเราเป็นทุกข์นะเราก็กลับมาดูตัวเองมาแก้ทุกข์ตัวเราดีกว่าอ น, นะอันนี้ก็เป็นวิธีสอนหรือว่าการอยู่จริงๆนะมันก็อาจจะมีพังเผลไปบานะ้างเนี่ยแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ห้ามไม่ได้เนาะที่มันจะคิดอย่างนั้นนะแต่ตอนนั้นบางทีมันก็ไม่อยากคิดนะมันก็เลยเป็นทุกข์นะ แต่พอมองไปจริงมก็ห้ามไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้ก็แต่เพียงแต่ว่าเราเคียงแค่ไม่ไปปรุงกับมันต่อนะไม่ไปปรุงกับมันต่อมันก็ค่อยๆลดของมันเองนั่นแหละนะคือเราไม่ค่อยใส่ใจมันนะมันก็เดี๋ยวก็มันก็ขี้เกียจคิดกับมันเองนั่นแหละนะไม่มีอะไรมากเนอะอันนี้คือเหมือนสิ่งละอันพันละน้อยเนาะพอคิดถึงหลวงพ่อคาเขียนนะโดยเฉพาะ คิดถึงวันที่ท่านรัตสังขารก็ดีหรือว่าวันที่ประชุมเพลิงก็ดีนะก็ได้เห็นได้เห็นธรรมะที่แท้จริงนะที่ทังพ่อท่านแสดงนะแล้วก็ได้เห็นศรัทธานะจากทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยมต่างๆที่หลังไหลกันมาในะในช่วงวันที่ทลงพ่อท่านมรณาภาพจนทั้งถึงวันรัตสังขาร หลวกระางถึงทุกทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างเช่นที่วัดจัดงานนําลึกหลวงพ่อวันที่หลวงพ่อท่านเสียหรือที่กรุงเทพจัดงานบูชาคุณหลวงพ่อก็มีคนไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมน ะ, นะทุกทุกปีนะก็ยังรู้สึกว่าเออสิ่งที่หลวงพ่อท่านท่านฝากไว้นะเหมือนหลวงพ่อไม่ได้ตายไปไหนนะหลวงพ่ อ, อยังสอน คนอยู่แต่อาจจะไม่ได้พูดเองนะแต่ถิ่ที่ท่านทำเนี่ยมันก็ยังนํามาสอนผู้คนต่อไปได้อยู่นะแล้วก็รู้สึกชื่นใจที่ก็มีคนที่ยังฟังธรรมจากท่านนะแล้วก็ระลึกถึงท่านเป็นครูบาอาจารย์อยู่แม้ได้เจอท่านบ้างไม่ได้เจอท่านบ้างะก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นมีมีคล้ายๆเหมือน เพื่อนร่วมสถาบันเนาะหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่มีหลวงพ่อคำเขียนเป็นเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะที่เราเคารพรักศรัทธาแล้วก็รอมทั้งเป็นครูบาอาจารย์ที่อาจจะไม่ได้บอกสอนมากนะแต่ท่านทําให้เราดูอยู่ให้เราเห็นแล้วก็เย็นให้เราสัมผัสเนาะก็ ก็ได้พูดให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดนะภาพวันที่วันประชุมเพลิงของหลวงพ่อคงเขียนเนา ะ, ะพอดีก็เพิ่งเห็นเพิ่งคิดได้ตอนเย็นนี่เองว่าอ๋อครบรอบวันมรณะวันประชุมเพลิงของพ่อนะมันก็มีวีดีโอชุดหนึ่งที่เขาทําตอนที่วันประชุมเพลิงก็เลยไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนก็ แต่ก็เดี๋ยวเรากรากพรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมทีวีนะแล้วก็ค่อยดูวันประชุมเพลิงเนาะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้น้อมนำทำนะจากการรักสังคารขลงพ่อนะมาเป็นคติเตือนใจของเราในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปเนาะนไง ในตาชิกไหมสี่ปีที่แล้วในสาชิกกันหลายคนนะแต่ก็มีบางช่วงก็จะมาก็มีลับอยู่เหมือนกันสิบห้าวันนะงานยาวนะต่อเนื่องจนถึงวันที่หกกันยานะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเป็นเมนที่ ที่สวยแล้วก็สงบมากอคือมันเป็นเหมือนธรรมะจัดสรร น, นะหลวงพ่อว่าจะบอกเขาคร่าวว่า่ะให้ไม่เกินสิบห้าวันให้อ่ตั้งศพตรงนั้นตรงนีนะ้ไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้บอกเขคร่าวนะแล้วก็ไม่มีใครเคยจัดงานแบบให้ครูบาอจารย์สักคนนะทั้งภายในวัดนะอาจจะมาเองพรอาจารย์ไปศารเองคนอื่นเองคก็ ก็เหมือนใช้การประชุมกันแล้วก็ใช้สติปัญญาเท่าที่มีช่วยๆกันคิดช่วยกันทำนะจากกรอบที่หลวงพ่อวางให้คร่าวๆนะแต่พอทำผ่านไปเสร็จก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานงานศพที่ที่มีประโยชน์แล้วก็เรียบง่ายอ่าไม่วุ่นวายนะนะไม่วุ่นวายไม่ มันก็ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยนะเหนื่อยกายบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากแล้วก็รู้สึกว่าสิบห้าวันเนี่ยแบบดูเหมือนมากหรือน้อยไม่รู้แหละแต่ก็แบบช่วยกันทําเต็มที่เท่าที่ ท, ที่พวกเรามีกําลังมีความสามารถนะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันพอดีนะรู้สึกไม่มากไปไม่น้อยไปนะเวลาเตรียมงานแล้วก็เออพอดีนะทุกอย่างมันตรงตัวเหมือน ธรรมจะจัดสรรนะให้พอดีนะมแม้ฝนจะตกบ้างก็ก็ตกพอพอดนะีไม่แรงเกินไฟนะก็ได้เปรียกกันนิดหน่อยนะก็รู้สึกเออมันเป็นงานที่ที่ชื่นใจเนา ะ, ะแม้แม้จะเป็นการจากไปของครูบาอาจารย์แต่ก็เหมือนว่าได้ทำอะไรให้กับท่านเป็น กินสุดท้ายในฐานะที่ตอนที่ท่านมีร่างกายเนาะอืมแต่ก็เพื่อประโยชน์นะต่อคนอื่นต่อไปเนาะก็ก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะก็ได้ดูอีกก็ดีนะโยมเองก็ได้ดูด้วยกันก็จะรุต้มีอะไรจะเติมจะเพิ่ ม, มนิมนต์นะครับอาจารย์ต้นก็อยู่กับหลวงพ่อมาใกล้ชิดนะ อ่าเหมือนกันแล้วกนน็นั้นก็ตามสะดวกเนาะใครจะในสชิกก็ในสชิกนะใครจะปฏิบัติตามกำลังของเราก็ปฏิบัตินะตามกำลังแล้วก็เห็นว่าสมควรเวลาไหนจะไปพัพกผ่อนก็ก็ไปเนาะเชิญ น, นะอ่า